ขอความสันติ ความจเจริญเจ้าอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัปซีคในวันนี้ทุกท่านนะครับรวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมด้วยวันนี้นะครับพี่น้องครับอยู่ในสุราฮูดนาวันนี้กี่อายะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้หกอายะนะครับสุราฮูดอายะที่เก้าสิบสี่ถึงอายะที่เก้าสิบเก้า 94 95 96 97 98 99 6อาญาในวันนี้เนื้อหาในบีนองมันควอบ2 2ประวัติประวัติที่1คือกาวถึงจุดจบของชาวมดยันนะครับซึ่งอยู่ในประวัติของท่านนบีชูอัและจากนั้นก็อ่านก็กล่าวถึงท่านอับดุลอลิสลับใน ในก็อ่านเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องอ่านดูแล้วหลายซุ่นร้อนเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นลําดับแบบนี้มาดั บ, บี้นัวซุ่รอ้อหพุทธก็เป็นนะครับซุ่นรอ้อนดีแล้วที่เราอ่านซุ่นร้อนอะไรแหละสองสามซุ่นร้อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยเริ่มจากเ อ, อ่อน บ, บีนัวแล้วก็มาน บ, บีพูทกับพวกอานแล้วก็มาน บ, บีซอแร่กับโภสะมูดแล้วก็มาน บ, บีลูดกับ กุมเมืองชาวสะดูมและกามานะบีชูไอ้กับมัตยันนะครับชาวมัตยันและกบานะบีมูซากับฮารูนเอ้ะนบีมูซากับเิร์เอาประมาณเนี่ยถ่าประมาณหกเจเรื่องราวเนี่ยวันาก็อ่านเล่าหลายๆครั้งนะครับจะใช้ลำดับนี้นบีนัะไลมาเรื่อยเลยไล่ไลเลยมาสุดท้ายก็มาจบที่นบีมูซามันจะละักษณะเป็นการต่อเนื่องกันนะเอ๊ะทำไมถึงต่อเนื่องกันละ่ะ มันก็มีลักษณะเรื่องราวที่ผูกกั น, นเช่น อ, อาร์ตกับสมูทแล้วก็กอมุลลูดเนี่ยนะครับหรือว่าชามัตยันถูกทำลายเหมือนกันมันก็จะต่อกันมานะครับแล้วก็เริ่มจากนาบีนวอก่อนที่ว่ามนุษย์ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตั้งถิ่นฐานกันไล่กันมา มีเมืองออฝ่าฝืนนบีส่งไปฝ่าฝืนถูกทําลายนะครับฝ่าฝืนนบีส่งไปไม่เชื่อนบีถูกทําลายซ้ําไปซ้ํามานะพอมาถึงนบีชูไอฟเนี่ยนะครับก็จะผูกมากกับนบีมูซาแบบเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยโดยถ้าถ้าแบ่งตามเชื้อสายจริงๆแล้วเนี่ยพี่นออ้องอาดัสมูนะครับลูดหรือว่ากลุ่มชนของนบีชูไอฟเนี่ย เวลามองเนี่ยเชื้อสายถือว่าเป็นอาหรับเหมือนกันนะอาหรับบายิดะอาหรับที่ถูกทําลายแล้วก็สูญพันธุ์ไปแล้วถูกกล่าวพร้อมกันเนี่ยไม่น่าแปลกนะครับแต่ที่แปลคือคนถามว่าอา้อาวแล้วทําไมดับบีช้ชูไอต้องไปผูกกับ น, นบีมูซาด้วยนบีมูซาเป็นชาบันิสรออินมันค น, นเชื้อสายกันที่ดบีชูไอมักจะผูกกับ น, นบีมูซาที่กูอ่านมักจะเล่าพร้อมกันเนี่ยเพราะ ช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกันพี่น้องจำได้ไหมว่านาบีมูซาเนี่ยเป็นเป็นลูกเขยนบีชูไอบ์แต่งงานกับลูกสาวนาบีชูไอบ์โดยเชื้อสายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันหรอกแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยนบีชูไอบ์กับนบีมูซาเจอกันไม่ได้เจอธรรมดาด้วยเป็นพ่อตากันด้วยนะครับนบีมูซาเป็นเป็นลูกเขยแต่งงานแับลูกสาวคนหนึ่งของนบีชูไอบ์นะพี่น้องก็อาจจะเคยฟังมาแล้วฉะนั้นมันก็จะต่อกัน นี่คือสาเหตุทำไมก็ a อ่านเล่าใช้ลำดับแบบนี้นะครับพี่น้องจะได้ทราบไว้ในอายะห์ที่94นะครับมาดูในส่วนของ the b i s h บก่อนในอายะห์ที่94อลัลลอฮตรัสไว้ว่าวลม า, าม ماجا أمرونا ن น ي ن อัย ايبا น, นะครับอลัลลอฮบอกว่าเมื่อบัญชาของเรานี้ได้มาถึงก็คือการลงโทษของอลัลลอฮ อัมรุนแปลว่าคำสั่งอลัลลอ์สั่งให้แผ่นดินพิกทำนองนี้นะครับสั่งให้เกิดการลงโทษนะคนชาวเมืองนี่ถูกทำลายหมดเลยแต่ว่านัดใจนาชัวไอบอาอัลลอ์ได้ทำให้นาบีชุวไอบ์วัลลดีนาอามานูมอาอหูและคนที่ศรัทธากับเขาเนี่ยนัดใจนาเราได้ทำให้รอดพ้น ก็คือทนปิชูไอ้กับผู้ศรัทธารอดจากการถูกลงโทษสำนวนแบบนี้ในกัรอ่านใช้หลายครั้งนะครับเฉพาะในสุราหูดเองเนี่ยอันนี้เป็นอายาที่94นะวลมาจาอัมรุนานัจเนาชูอบัเมื่อการลงโทษเราได้มาถึงเราได้ช่วยให้ชูไอ้รอดพ้นนี่คืออายาที่94ถ้าย้อนกลับไปหน่อยนะครับ อลัลลอฮ์เคยลรัสแบบนี้กับนบีซอลแล น, นเหมือนกันในอายะห์ที่หกสิบหกสุรพูทเหมือนกันเฟลา ม, มาจีย่าอัมรุนานนัจเจนาซอลเลห์ฮะนะครับซอลเลห์ฮนั่นคือทำนบีซอลแลนเนี่ยรอดพลเหมือนกันเลยนะเช่นเดียวกันอลัลลอฮ์ก็กล่าวแบบนี้เหมือนกันกับนบีอู นะครับในสุราหูในลอายันที่ห mm ้าสิบแวัลห ม, มาจาระอัมรุนานัจยนาฮูดา mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็คืออัลลอฮฺได้ทำให้น บ, บีฮุดทำไมเอ่ยรอดพน้นใช้สำนวนเดียวกันเลยน บ, บีฮุดน บ, บีซาเละแล้วก็ น, น บ, บีชูอัยบอัลลอฮฺช่วยให้รอดพ้นหมายความว่าไงพี่น้อง ไม่ใช่แค่นา บ, บีอย่างเดียวนะว่านารีนามานูมอาอหูถ้าไปน้องไปดูในเหตุการณ์เนี่ยนะครับการลงโทษเนี่ยมันลงโทษแบบทั้งเมืองเลยตีวงกว้างมากอย่างนา บ, บีกลุ่มชนนา บ, บีลูดเนี่ยลงแบบแผ่นดินทลายคือมันตีวงกว้างมาก ถ้านบีอยู่ตรงนั้นถ้าผู้ศรัทธาอยู่ตรงนั้นก็ก็โดนลงโทษ ด, ด้วยตรงนี้เนี่ยตอนที่มายกาก่อนที่จะมาหาดบบีรุตแวดหารดับบีบรอฮีมเนี่ยก็เคยคุยกันตรงนี้ิบรอฮิมก็หัวเหมันกันว่าการลงโทษจะเกิดขึ้นกับคนดีๆด้วยเกิดกับก น, นบีรูต ด, ด้วยกับผู้ศรัทธาด้วยแต่ว่าอัลลอฮ์นัดเจยนาอัลลอฮ์ช่วยให้รอดพ้นอย่างนบีรุตนี่เฉียดฉิวมากไปหาปุ๊บกลางคืนรีบออกเลย พัตอนสุโบนี่จะมาแล้วช่วยให้รอดพน้นถ้าไม่ออกไม่ออกก็โดนนะเช่นเดียวกันกับนบีชูอายและกูสัท ธ, ธาเหมือนกันการลงโทษลงแบบตีวงกว้างเลยโดนทั้งเมืองโดนทั้งหมดแต่อลัลลอ์ก็มาบอกอลัลลอ์มาเตือนนี่คือนัดใจนาอาลัลลอ์ช่วยให้รอดพ้นจากการลงโทษเหมือนกันครับนบีซอลเลห์นบีฮูดและสนักคล้ายกันนะ บิรัชมาติมมินนาช่วยให้รอดพ้นเนี่ยนบีแล้วก็ผู้ศรัทธาศรัทธาในตัวนบีเนี่ยนะครับบิรัชมาติมมินนาด้วยกับความเมตตาจากเราอัลลอฮฺเมตตาแล้วก็ช่วยใหรอดพ้นถ้าไม่บอกข่าวนะพี่น้องยังไงก็โดนถ้าไม่ส่งมาลายกามาอย่างนาบีรุตไม่ได้ส่งมาบอกเนี่ยยังไงก็โดน เช่นเดียวกันนตบีชุูไอ้ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกโดนเหมือนกันนะอ้าวโดนลงโทษยังไงครับชาวมาัตยันอัลกอตาดิลลาดีนะจอละมุสไซฮะตนะครับอยฮาตุนะลงโทษเนี่ยลงโทษเป็นอยฮะอลัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ลงโทษอันดาลีนะจอละมูลงโทษผู้ ผู้อธรรมผู้ที่เลมเนี่ยด้วยกับซอยฮะอาซอยฮาตูแปลว่าซอยฮาแปลว่าเสียงกำปนาเสียงร้องขึ้นมาซซฮะนะครับซอยฮะเป็นเสียงดังแล้วก็ยังไงเอ่ยดังมากจงมาท่านฟาสบาฮูฟีดิยาเรหิมยาทมีนแล้วก็ชาวมาดยันเนี่ยวเวลาเอาลอให้เสียงดังขึ้นมาเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ ดังจนตายพี่น้องถ้าเป็นตอนเด็กๆเกวลาที่เราฟังประวัตินบีเนี่ยแกหูแตกตายก็จะอธิบายแบบนี้นะเสียงที่ดังมากๆพี่น้องฆ่าคนได้นะครับจงกระทั่งว่าคนเหล่านี้เสียชีวิตตายในตายที่ไหนพี่น้องตายในบ้านของพวกเขาเองฟีดิยาฟีดิยาเรหิม ก็อ่านต้องการเจอบรรยายภาพว่าเมื่อการลงโทษมาถึงชาวมัตยานแล้วด้วยกับซอยฮะเสียงกับปานาตรงนี้ตายในบ้านพี่น้องตายแบบไม่ได้ทันได้เตรียมตัวเราก็นึกไม่ออกเสียงตรงนี้มาอย่างไงจะตุม้มจะบึ้มจะวีดยังไงก็แล้วแต่มาครั้งเดียวแล้วก็ตายเลยพี่น้องคืนเสียงมันก็เข้าไปในบงในบ้าน ในบ้านยิงไปกันใหญ่เลยนะครับยิงสะท้อนไปกันใหญ่ที่โลกยังพอยังพอดีหน่อยนะแต่ในบ้านเนี่ยสะท้อนไปสะท้อนมาสุดท้ายเสียชีวิตเสียในบ้านของพวกเขาต้องการจะบอกว่าเป็นการตายโดยโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวพูดถึงความตายพี่น้องนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสังคมมุสลิมเราเสียไปเยอะตตุสินก็นเสียนะครับเป็นตาฉายก็เสียนะตายกันเยอะตะตุสินเนี่ย แม่ยังมีเสียแต่ลูกแซงแม่เห็นไหมพี่น้องนะขอแบบนี้มันไม่แน่นะครับมันแซงกันได้นะพวกอะไรละ่ะชาวมัตยัาเสียชีวิตอยู่ในบ้านโดยสภาพที่ไม่ได้เตรียมตัวนะอาจจะคิดว่าเอไม่เชื่อชูไออาจจะมีการลงโทษ จะดูด้วยการลงโทษมาอย่างไงแต่มาแบบไม่เตรียมตัวตายแบบในบ้านพี่น้องไอ้คนที่กินข้าวก็ตายทั้งที่กินข้าวคนที่ยืนก็ตายทั้งที่ยืนคนที่นั่งก็ตายทั้งที่นั่งคนที่อยู่ในบ้านก็ตายทั้งที่อยู่ในบ้านข้ออ่านบรรยายภาพไปเห็นว่าเป็นการตายแบบแบบกระทหันนะครับกอ่าลเมื่อกี้อายะที่เกานะครับต่อมาในอายะที่95ก้าสิารยักนาฟีฮา นะเหมือนว่าพวกเขานั้นไม่ได้เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนลาบุดันลิมัตยานะกามาบะอิดัชสมูตเขาบอกว่าโบดันตรงนี้เนี่ยนักตักซีบางคนที่บปลว่ามาถึงบบดันแปลว่าไกลไกลจากความเมตตาเวลาที่ในภาษาอาหรับใช้คำว่าละนะ ใช้คำว่าสาบแช่งช เ, าาเช่นอลลอฮฺสาบแช่งคนที่ทําแบบนี้แบบนี้สาบแช่งในที่นี้เวลาแปลความหมายเนี่ยแปลว่าห่างไกลจากความเมตตาเช่นเอ่อถ้าคนคนหนึ่งกระทําความผิดแบบนี้นะครับเราถูกอลัลลอฮฺสาบแช่งไม่ได้สาบให้เป็นเป็นเป็นลิงแบบกระทันหันแต่ว่าคนคนนั้นจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺนะบวตันมินะราะมะห่างไกลจากความเมตตา ชาวมัตยันเนี่ยประสบสิ่งเดียวกับกามาไบดัตสมุติเหมือนกับสิ่งที่ชาวสมุติได้ได้ประสบไว้ถูกลงโทษเหมือนกันไหมเหมือนกันฝ่ฟาฝืนเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับแล้วก็สูญพันธ์เหมือนกันไหมสูญพันธ์เหมือนกันนี่คือเขาเรียกปมของจบจบของเอานบีชูไอ้กับกับชาวมัตยัน ในสุรพูดเนี่ยก็จะกล่าวถึงแง่มุมนึงทางประวัติศาสตรแต่บิดน้อไปอ่านอัลอฟอ่านยูนสุสเนื้อหาเนี่ยลำดับลำดับเดียวกันแต่ว่าจะกล่าวอีกแง่มุมหนึ่ง อ, อันนี้พูดถึงการลงโทษอ้าวอันนั้นบางบางสุรพูดถึงรายละเอียดอื่นก็จะเป็นแบบนี้ไปนะครับอันนี้เราอยู่ในสุรพูดเอ่อนบีชูอัยเนี่ยผมไม่ได้ ب, เล่าพี่น้องฟังเยอะเพราะว่า ครั้งที่แล้วเคยเล่าไปแล้วปูพื้นฐานมาแล้วนบีชูไอามาจากไหนลนักษณะเป็นยังไงนะครับเชื้อสายมายังไงนะแล้วก็ปูพื้นฐานเกี่ยวกับชาวมาัตยันด้วยนะทวนิดหนึ่งก็คือท่านท่านนาบีชูไอเนี่ยทางแม่ก็มาจากจากสายนาบีรูดนะครับนะทางพ่อมาคนบอกสืบทางนูน้นนะก็คือเกี่ยวข้องกันแหละแล้วกชาวมาัตยันก็เป็นเมืองแห่งการค้า คนมาซื้อของมนุษมาีเยอะจนกระทั่งมีการโกงตาช่างโกงการวัดการตัวเกิดขึ้นซึ่งรายละเอียดตรงนี้เรานำเสนอไปแล้วนะครับในอายะติที่กับเกบเนี่ยพูดถึงชามัตดดยันกับนบีชไอัยแต่ว่าพอมาถึงในอายะติที่ส6พูดถึงท่านนอีมมูซาอะเลฮิสลามอันนี้ผมจะลงรายละเอียดเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นคิดซ้เป็นเรื่องราวเป็นประวัติใหม่ ในในซุลฮันี้นาบาม่มูซาเราไม่ได้ใหม่หรอกแต่ว่าพืชจะกล่าวในซุลฮันี้ก็จะปูพื้นนิดหนึ่งเอาล่ะตรัสทินบีมูซ่าในอยายะที่เ6นะครับในซุลฮูดวลลกะัสอารษันนามูซาบิอายาตีนาบุล ส, สุ่นตอนดินมูบินเอาล่ะบอกว่าเรานี้ได้ส่งท่านาบีมูซามาด้วยกับมีอายาตีนาด้วยกับองค์การ สัญญาต่างๆของเรานะครับโมซุ่นตอนในหมู่บีนแล้วก็หลักฐานที่ชัดแจ้งนบีมูซาได้ท่านอายาธองค์การได้ทั้งสัญญาณได้ทั้งซุ่นตอนได้ทั้งหลักฐานที่ชัดแจ้งจริงๆแล้วนบีมูซาได้อะไรเยอะมากถ้าพี่น้องนับเรื่องโมอีจัดเนี่ยนบีมูซาเนี่ยติดอาจจะอันดับหนึ่งเลยก็ได้นะครับอะไรบ้างที่พี่น้องนึกถึงอ้าวแม่เท้าที่โยนแล้วกลายเป็นงู นะครับมือที่ดึงออกมาจากเสื้อก็อาจจะคําว่ายายแต่ว่ากระเป๋าบางคนว่าจากระแลอะไรก็แล้วแต่ดึงออกมาแล้วมีแสงสว่างยังไม่จบนะแล้วก็ก่อนที่จะตีน้ําน้ำแล้วกัทะเลแยกเนี่ยนะครับยังมีการลงโทษสิบประการเรียบภัยพิบัติ10ประการที่ประสบกับเมืองอียิปต่น้ํานะหะกลายเป็นสีเลือดมีกบมีตกกะกัแตนมีนุ่งมีนี่สิอย่างเนี่ยประสบกับเฟร์เอวเฟร์เอวแก้ไม่ได้ มาขออบดุลบาบูซาขอดูอาต่ออ้อาวภัยพิบัติที่หนึ่งหายไปปล่อยบัญญีอิสรอินไหมไม่ปล่อยอา้าวอันที่สองมาจะปล่อยไหมปล่อยปล่อยช่วยหน่อยอับดุลาูซาช่วยเสร็จอา้าวไม่ปล่อยอันที่สา ม, มาจนกระทั่งถึงอันที่สิบอับดุลาูซาได้อายาตจากอลัลลอฮ์เยอะมากนะครับแล้วก็อนอับดุลาูซายังได้คำภีรเตารอรอ่านะครับบัญญัติสิบประการ บางคนบอกตารอดก็คือตารอดมันอย่าิบการก็คืออันหนึ่งยังไงก็แล้วแต่ต้องการจะบอกว่าอาญาต์กับสุนตอนเนี่ยน บ, บีมูซาได้เยอะมากนะยางน บ, บีซอแร้ได้อะไรบ้างได้อูดอ้าวนะครับคำพีนิวาร์ลออาลัมนี้ไม่มีไม่ทราบนะแต่ว่าน บ, บีมูซาตันเทียบแลม้มันดูซาด้เยอะนะไม่ได้แปลว่าคนนี้ประเสริร์ว่าคนนั้นไม่ใช่นะครับต้องการที่เห็นว่าเวลาก็อ่านพูดถึงน บ, บีมูซาเนี่ยพูดถึงอาญาต์แล้วก็สุนตอน ได้ทั้งหลักฐานได้ทั้งองค์การมีตังโมอีซาดมีทั้งคัมภีมีทั้งนูทั้งนี้เยอะไปหมดยังไม่นับนาะเช่นในโซบะกราะเหตุการณ์ที่อลัลลอฮ์เนี่ยให้เชื่อดวัวแล้วก็เอาหางวัวจไปตีที่ศพแล้วศพก็จะขึ้นมาบอกว่าถูกใครฆ่าเหตุการณ์เหล่านี้ในเกิดขึ้นในในสมัยท่านด บ, บีมูซาหมดเลยพตอนนะ บ, บีมูซาพาชาบันิซรอลอินเนี่ยอยู่ในเทะเลทราย ได้มนวสลวาลาได้นกคุ้มกับน้ำตาลฟ้าเป็นอาหารที่อัลลอ์ส่งมาให้เยอะมากอายาตกับสุนอนเนี่ยถ้านั บ, บดีๆในพี่น้องผมอาจจะนับข้าไปบ้างเยอะยิงยิงนับยิงเยอะที่ประสบกับิีมูซาเอาเอาไม้เท้าตีไปดีหินทานน้าไหลออกมาสิบสองสายเท่ากับสิบสองเผ่าชาวบันิสราอินล้วนแล้วจะเป็นอายาตเป็นสุนอน ที่สนับสนุนว่าท่านอบีมูซานั้นเป็นอะไรเอ่ยเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์นะครับเยอะไปหมดนะอา้าวตาพี่น้องอยากจะไปนับว่าเอ๊ะอายัดกับสุนตอนหลักฐานแล้วก็องค์การมวยศาสตรอะไรบ้างที่ได้กับอบดมุซาพี่น้องไปนับดูแล้วกันตั้งแต่บัตรเด็กเลยก็ได้เอานะครับลอยไปตามเสืเอานีสังฆาเด็กผู้ชายหมดนะชาวพนิษทออินสังฆาหมด แม่นดามูซามพูดจะเอาอย่างไรใส่หีบมังคไปใส่ตะก้าลอยตามไปน้ำนะ ล, ลอยไปหาฟิร์เอาฟิรฟ์เอ า, าเลี้ยงนะได้เยอะมากดามูซาอะลัยสลาห์นะครับแล้วก็ได้ฟังคำดำรัสของอัลลอฮ์โดยตรงนี่ท่านดามูซาอะลัยสลาหได้เยอะนะครับคราวนี้มาดูในอายะที่97อัลลอฮ์ตรัสไม่ว่าอิล่าฟิร์เอาหน้าอมะลีอีนะ อัลลอฮ์เนี่ยให้สัญญาต่างๆเหล่านี้ทําไมเอย่ยส่งนบีมูซาไปหาเิรอาอุแล้วก็บรรดามาละบรรดาผู้นําชั้นต่าง ๆ, ๆที่อยู่รายล้อมเิรอาอุฟัตตบออัมบ์เรอาอุคนเหล่านี้ที่อยู่รอบเฟรอาอุเนี่ยทำไมเอย่ยฟังคําสั่งของเิรอาอุว่า ม, มาอัมบูเฟรอาอนะุนบีร a s h แล้วก็คําสั่งของเฟรเอวนั้นเป็นคําสั่งที่ไม่เหมาะสมนํามาซึ่งความเสียหายอันนี้ความหมายคร่าวๆจะล่ายให้ฟังพี่น้องเวลาพูดถึงตบบอดนบีมูซาเนี่ยเราจะนึกถึงใครนึกถึงนบีมูซานึกถึงเิรเอวนะนึกถึงนบีฮารูนแต่ว่าตัวละครเด่นๆเลยซึ่งมักจะถูกกล่าวพร้อมกับเฟรเอวอยู่เสมอคือบรรดามาละบรรดาผู้นําอัลมาดบรูิตต่างๆ ถือว่ามีส่วนอย่างมากในการช่วยฟิราอุลจะช่วยในการบริหารก็ดีนะครับหรือว่าจะช่วยในการที่ต่อต้านดามิบูซาก็ดีมีสองคนพี่น้องเคยฟังไหมการูนกับกับฮามาน อ, อันนี้ก็อยู่ในสมัยฟิราอเหมือนกันการูนกับฮามานเนี่ยโดยประวัติเนี่ยพี่น้องถูกกล่าวในกนะัวอานณะเอาใครก่อนเอาการูนก่อน การุนเนี่ยนะครับกอบอลีบรอวานูนการูนพี่น้องเป็นชาวบันิอิสราอินอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเิรอาว์เนี่ยกดขี่ชาวบันิอิสราอินใช่ไหมแต่การูนคนนี้เนี่ยเป็นชาวบันิอิสราอินโดยเชื่อสายเป็นชาวบันิอิสราอินเป็นผู้ช่วยฟิรอาว์เวลาเิรอาว์จะมีอะไรกันแล้วแต่เนี่ยจัดการกับชาวบันิอิสราอินเฟรอว์ไม่ได้ลงมาโดยตรง สายสายงานโดยเลยหารเนี่ยลงมาที่กรูนก่อนเพราะกรูนดูเชื่อสายประชาบัิสรออินดูแลกิจาการเกี่ยวกับชาวบัิสรออินทั้งหมดจะให้มาสร้างนู่นจะใ ห, หนให้นู่นให้นี่จะแบ่งเป็นทาตทาํางานนู่นทํางานนี้กรูนดูแลทั้งหมดกรูนเนื่องจากประชาบัิสร อ, อีนนะแต่ว่ารับราชาการกับที่ราเอาเอาไปแบบนี้ดีกว่ามีทรัพย์สินมากนะ กรูนเนี่ยมีเขาเรียกว่าคังสมบัติได้ทรัพย์สินมากแล้วก็กุญแจที่เขาเรียกว่าจากไขสมบัติเนี่ยหนักมากต้องใช้หลายคนแบกความผี่ค้างมันใหญ่แล้วก็ต้องการความปลอดภัยไม่ให้คนมาขโมยกเก็บของไว้เยอะกุญแจเนี่ยหนักมากต้องให้คนเขาช่วยช่วยกันแบกหลายๆคนถึงจะไปไขได้อันนี้คือกรูนเสียชื่ อ, อยังไงเอาล่ะ อัลลอฮ์้าขาซักนาบิฮีว่าบิดารินอรมดีอัลลอ์ให้ธรณีสู่ไอ้บ้านไอ้ทรัพย์สินไอ้ครังที่อยู่เยอะๆเนี่ยหายไปทั้งหมดเลยจมไปดินตายนี่คือนี่คือการูนะครับเอออย่าการูเป็นชาวบันิสรา อ, อีนนะข้อมูลตรนี้สำคัญมากเป็นชาวบันิสรา อ, อีนเองแต่ว่ารับราชการกับเฟร์เอาแล้วก็มากดขี่ชาวบันิสรา อ, อิน โดยกับหน้าที่ตรงนี้ฟิอาว์ตอบแทนเยอะมากทรัพย์สมบัติเยอะมากสุดท้ายก็ตายพร้องสมบัติถูกทานี้เป็นญาติด้วยบางคนบอกเป็นลุงก็คือประชาบันนีซออินเป็นเชื้อสาอยนั่นแหละแต่ว่าชาวบันนีซออินส่วนมากถูกกดขี่ใช่ไหมแต่กล้ารุนได้ดีแ ล, แล้วฟิอาว์เลาจะควบคุมเนี่ยสั่งมาทางนี้หมดถ้าสั่งทางอื่นก็ไม่มีใครเข้าใจชาววันนี้ซออินได้ดีเท่ากับ บนิสราอินนกเองก็เลยผ่านทางกรารูอันนี้คือกรารูนนะครับพี่น้องจะไปอ่านต่อก็อ่านต่อได้มีประวัติเยอะนะอีกคนคือฮามานเวลาก็พูดอย่างกรารูนกับฮามานแต่ว่าหน้าที่ในต่างกันฮามานในตัวฮาใหญ่ 5, นะอาลีบมีมอาลีบแล้วก็ น, นูนฮามานในถือเป็นหัวหน้ารัฐมนตรีของเฟรเอาเป็นวาซีนะครับฮามานเนี่ย บทบาทเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดฟิรเอาที่สุดเลยจะทํานูน่นทํานี่เนี่ยนะครับฮามานตัวการนราันก็อ่านประมาณหกครั้งได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับฟิร์อาอให้คอยแนะนําการนําเสนอทํานูน่นทํานี่เนี่ยฮามานอยู่ตลอดนะฮามานมีบทบาทก็คือตอนที่นาีมูซามาเผยแพร่กับฟิร์อาอเนี่ยฟิรเอาออยากจะเห็นหน้าอาลัลลอฮ อยากจะเห็นว่าพระเจ้าของมูซาเป็นยังไงก็เลยสั่งฮามานว่าโอเอากิตลียาฮามานอาลาร์รตีนนี่คจอัลลีสรหาห์เซเอาในสั่งฮามานให้สร้างสรหันในตำเสถียร์บาเป็นหอสูงยังไงก็แล้วแต่สูงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ย เพราะว่าพระเจ้าของเตมูซาอยู่บนฟ้ารออยู่บนฟ้าใช่ไหมให้สร้างห อ, งองสูงขึ้นมาอยากจะขึ้นไปดูว่าอัลลอฮ์นาตาอย่างไงพระเจ้ามูซาเน่ยเป็นยังไงที่เอาสั่งใครสั่งฮามานคนที่สร้างนะในอายะกรอานตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องทางประวัติศาสตร์มากเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเทคนิค ก, การสร้างสิ่งก่อสร้างโดยใช้ในอายะกรอานบอกว่าจงจุดไฟแก่ฉานฮามาน อลันปีนจุดไฟบนดินแล้วก็สร้างหอคอยแก่ฉันก็คือต้องการบอกว่ามีการใช้อิฐเผาในการก่อสร้างเอาดินมาเนี่ยมันทำแล้วก็เผาให้แข็งแล้วก็มาก่อสร้างเป็นเป็นหอสูงขึ้นไปประเด็นตรงนี้ทางปริศาสตรน่ า, านะสนใจพี่น้องเพราะว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยการสร้างบ้านเรือนด้วยกับอะไรละ่ะโดยกับอิฐโ ด, ดยกับหินเนี่ยในสมัยก่อนนะักปริศาสตร์มองว่า อียิปต์ไม่ในสมัยอียิปต์ไม่มีมีที่พบในสมัยโรมันอียิปต์สมัยเก่านะไม่มีการสร้างแบบนี้แต่่อนนักประวัติศาสตร์มองแบบนั้นแต่ว่าข้าออานบอกชัดเจนมากที่เอาสังหามานว่าให้เอาดินมาเผาแล้วก็เอาดินที่เผาเสร็จเนี่ยซึ่งจะเป็นอิฐอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปสร้างเป็นหอคอยหลังๆก็มีการค้นพบสิ่งก่อสร้างเก่าๆในะยุคเฟรเอลซึ่งใช้อิฐเผาตรงนี้อันนี้ก็เป็นมุสยิสระในข้รอ่านเหมือนกัน แล้วก่อนก็ถือไม่มีนะมีสมัยโรมันสมัยอียิปต์เก่าไม่มีเราไปมาเจอแล้วก็อ่าน ก, ก็ก็กล่าวไว้นานแล้วอ่าอันนี้เป็นน่าสนใจมากฉะนั้นฮามานเป็นอะไรละ่ะรัฐมนตรีที่การชิดเป็นโปรฮิตเป็นอัมมาดอะไรก็แล้วแต่กากรชิดกาแฟเอามากแล้วก็ดูแลการก่อสร้างเพราะว่าอะไรละ่ะสร้างสร้างหอคอจะไปดูหน้าอัลลอฮ์เนี่ยใช้ฮามานสร้าง แล้วกิจาการส่วนมากในอีบสมัยก่อนพี่น้องเน้นการก่อสร้างเช่นจะเป็นเซอร์ฟิงจะเป็นพียมิดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องต้องใช้การคุมการก่อสร้างแรยงานมาเอาหินมายังไงปัจจุบันนี้ยังเถียงกันไม่จบนะไอ้เียรมิดที่สร้างเนี่ยเอาหินมาจากไหนบางคนบอกเอาหินมาตามแม่น้ำเอาแม่น้ำอยู่ไหนแม่น้ำแห้งไปแล้วบางคนบอกใช้รออเอาไม้กลมๆเนี่ย ลองใต้หินแล้วก็ลากไปมองคนบวั่นล้อมขึ้นมายังเถียงกันไม่จบแต่เทคนิคตรงนั้นปีน้อนเปรมิตที่สร้างมาแล้วแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยฮามานเป็นผู้ควบคุมการสร้างอ่าไม่ธรรมดานะฉะนั้นนี่คือสองคนที่อยู่ในบรรดามะล马ะ拉ะละคือบรรดาหัวหน้าที่การชิดกับกับเฟรเอาที่กู อ, อ่านเลยชื่อเลยมีการูนแล้วก็มีมีฮามานแต่ว่า เราเห็นว่ากุฎอ่านใช้รูปพรอุพจน์คือไม่ได้มีแค่สองคนมันมีมากกว่านั้นสองคนที่ตัวเด่นๆนะแต่ว่าคนที่อยู่กับเฟร์เอาน่ยมีมากกว่านั้นพอภาพตรงนี้เนี่ยเรากลับมามองเห็นภาพได้ว่าตอนการที่ฟิร์เอาเฟรอ์อ่านมีอำนาจมากนะพี่น้องไม่ใช่แค่คําว่าอีบอย่างเดียวนะแต่ว่าอาณาจักรเนี่ยแผ่กว้างไว้เยอะแล้วคนที่ช่วยฟิร์เอาในการดูแลอาณาจักรมีเต็มไปหมดเป็นทีมงาน เนี่ยบรรดา马拉เนี่ยนะครับเป็นทีมงานเป็นผู้นําเป็นที่ปรึกษาที่ช่วยเิรดเอาในการดูแลเยอะมากฉะนั้นพี่น้อง น, นึกภาพเวลานบีมูซาไปประชิญ น, น้ากับฟิรดเอาเนี่ยมาเช่ยสองต่อหนึ่งนะนบเมูซามีสองคนนบเบมูซาดับเบิฮาลูนเฟรดเอามีคนเดียวไม่ใช่นะเป็นสองต่อ20สบต่อ200อ ก, กี่คนยังไม่รู้ไปสองคนแล้วมีเิรดเอนั่งอยู่แล้วที่เหลือก็เป็นเนี่ยบรรดามาละ เต็มไปหมดเลยฉะนั้นไม่ง่ายไหมไม่ง่ายเลยดาบีมูซาไปปเจหน้ากับฟเอาเนี่ยไม่ง่ายพี่น้องนะถ้าพี่น้องกลับไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยดาบีมูซาหนีฟิรเอามาเพราะกระทำความผิดไปฆ่าผู้กาชิต ซึ่งเป็นหนึ่ในบรรดาของเฟรเอร์ในเสียชีวิตแล้วก็มีคนมาบอกว่างานเนี้โดนเน่ยนบีมูซากันหนีเนี่ยไปเจอนบีชูอแต่งงานกับลูกสาวแล้วก็อัลลอฮ์บัญชาให้นบีมูซากลับไปไปเชิญหน้ากับเฟรเอร์พี่น้องคิดดู ถ, ถ้าเป็นเราในกดดันไม่กดดันมากคนที่วหนีทั้งว่าหนีมาวันนี้ให้ไปไปเชิญหน้าแล้วก็เฟรเอรมีทหารเป็นกษัตริย์มีกองทัพและนบีมูซามีอะไร ไม่มีอะไรเลยมีไม้เท้าไปอันหนึ่งไม้เท้านับดุบูซ า, น, านอับดิน้องไม่ใช่ไม้เท้าวิเศษนะเป็นไม้เท้าที่นบับดุบูซานใช้ในการเลี้ยงแกะก็คือไม้เท้าประจําวันเนะ่ยเลี้ยงแกะเขี่ยไฟในกุานก็พูดไว้ใช้ทั่วไปไม่ใช่ไม้เท้าวิเศษที่มาจากฟ้านะไม้เท้าที่ใช้อยู่ปกติในเลี้ยงแกะตีแกะตีวัวแบบนี้นะพี่น้องไปบันจินกับกาฟราอัแล้วก็ให้มุฮิญะไปสองอัน นบีมูซามองว่าการกลับไ ป, ไปเผชิญหน้ากับเฟรเอาตเนี่ยไม่ใช่การต่อสู้ด้วยกับกําลังอย่างเดียวพี่น้องไม่ใช่มีมุจิษฎ์แล้วกับบาปได้หมดมันมีปัญหาเรื่องการเจราจาด้วยการพูดการโน้มน้าวการพูดซึ่งนบีมูซานี่ไม่มีความสามารถตรงนี้การพูดเนี่ยนบีมูซาเป็นที่พูดไม่ชัดรับบิชารีซาดรีออยักษีรีอัมรีฮัวุนปุกดาร์ตามินิซาลีเนี่ยนี่คือดุอาของนบีมูซา ตอนที่เป็นเด็กน บ, บีอูซ่าแม่เนี่ยก่อนที่จะเอาลอยตะลอยตะก้าไปหาเิร่อ เ, เอาเนี่นะเอาไปเก็บไว้ในเตาเตาฐานก่อนทหารเนี่ยมาค้นบ้านแล้วก็แม่เนี่กลัวว่าจะเจอก็ไปไว้ในเตาแล้วมันก็มีฐานน บ, บีอูซ่าเนียหยิบฐานมาแล้วก็มามากินอันนี้เป็นกิซซ็อนะครับแล้วก็เมอุกดาตันเรนอุกดาตันฟีลิซานีลิ้นเนี่ยเป็นปม ผมยังไงกไม่รู้ว่คือออกเสียงพูดไม่ชัดไม่เก่งในการพูดสรุปง่ายๆก็เลยขอต่อแล้วว่าไปบัชเชหน้ากัฟฟิรเอัลเนี่ยขอนบีฮารูนไปด้วยซึ่งนบดฮารูนเป็นผู้จะมีความสามารถในการเชราจาในการพูดไปเจอกัฟฟิรเ อ, อัลอ่าพี่น้องเห็นภาพนะมันไม่ใช่แบบเรื่องเล่าง่ายๆแต่ว่าในฐานะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอบีมูซาคิดอะไรอยู่บ้างไปเจอฟิรเอลซึ่งตัวเองหนีมาในกดดันแล้วก็มองว่า น่าจะมีคนที่ทําหน้าที่ในการเจรจาทางการทูตข อ, อน บ, บีฮารู์ไปแล้วก็ไปพบเจอฟิรเอาอแล้วพี่น้องฟิร์อาอตอนแรกนึกมองว่าตัวเองเหนือกว่าเพราะน บ, บีมูซาเป็นเป็นค น, นคหนีคดีนึกออกไหมมีความผิดแลกลับมาเจอหน้าแล้วก็มากันสองคนไม่มีอะไรเลยแล้วมาบอกว่าให้ปล่อยชาวบานาันนิซรออิทเป็นแสนแสนคนพี่น้องกินตัคนสองคนเดินมาไม่มีอะไรมาเลยพี่น้องแล้วบอกว่าช่วยปล่อยทาสบานาันนิซรออิทเป็นแสน ตอนที่เจอกันเสืออวเหนือกว่ามีทหารด้วยแล้วก็มีบรรดามาละอยู่ข้างๆเหนือกว่าแต่ว่าหลังจากดบีมูซาสแสดงมมอีสานเลวไม่เท้ากับมือที่มีแสงเนี่ยดับบิมูซาเหนือกว่าสาการพลิกแล้วก็เหนือเหนือเหนือจนกระทั่งบีไปเสืออว์ตอนสุดท้ายเนี่ยไปจมน้ําตาในทะเลแดงอยากจะเล่ า, ลาต่อไปนะครับพูดถึงคำว่ า, าละอันนี้ผมเน้นประเด็นนะครับว่า马拉อีฮีเนี่ยนะครับบรรดา แต่ไม่ถูกเขาบอกบรรดาบุคคลชั้นนําอยู่กับฟิร์อาลด้วยอยู่เบื้องหลังฟิร์อาลด้วยฉะนั้นเวลาพูดถึงฟิร์อาลพี่น้องอย่ามองกับฟิร์อาลอย่างเดียวมีฟิร์อาลและทีมงานนะครับฟัดจามูอูอัมรฟิร์อาลนะคนเหล่านี้เนี่ยทำไมเอ่ยปฏิบัติตามคําสั่งของฟิร์อาลเวาจะสร้างหอคอยขึ้นไปดูอัลลอฮ์เนี่ยฟิร์อาลสร้างเองไม่สร้างแต่ว่าสั่งฮามานไปทํา เวลาจัดจ ก, การกับชาวบรรอิสราเอลเนี่ยทายังไงสั่งกราูมได้ทำํำมีทีมงานนะครับก็คือเป็นผู้นําำเลยฝ่ายนู่นฝ่ายนี้นะวา ม, มาอัมบุฟิราอานาบิรอชิดเอเลอบอกว่าคําสั่งทิฟราอให้กับบรรดามเลีเนี่ยให้กับบรรดาผู้นำเนี่ยนะครับเป็นคําสั่งซึ่งสุดท้ายแล้วดูผลลัพธ์เนี่ยไม่ใช่รอชิดรอชิดคือฉลาด เป็นคำสั่งที่นํามาสู่ผลเสียมากกว่าผลดีเฟรเอรเอาพี่น้องครับตอนที่จมทะเลแดงเนี่ยถือว่าเสียหายเยอะมากไม่ใช่แค่ภูนําเสียอย่างเดียวพี่น้องแต่กองทัพหลักๆที่เกณฑ์มาพี่น้องจมไปในทะเลแดงด้วยอาวุธยุทโธปรกรณ์ทรัพย์สินที่เตรียมมาเต็มที่เลยกะชะกะจะฆ่าชาวบันดิสลออินเนี่ยพี่น้องจมไปในทะเลแดงด้วยถ้าเราดูการบริหารงานที่ผ่ามากองเฟรเอาเนี่ยอาจจะมีอํานาจ ดูแลได้เยอะแบบนุ่นแบบนี้แต่จุดจบแล้วสุดท้ายไม่เ้อชีดนํามาสู่ความเสียหายแก่แก่ตัวประเทศอียิปต์เองในสมัยก่อนดินแดนอียิปต์ยังไม่ใช่ประเทศนะบางคนอาจจะบอกฟีร์เอาเป็นผู้ปกครองที่มีมีศักยภาพปกครองดีอาณาจักรยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะด้วยความดือด้อด้วยคําสั่งด้วยการไม่เชื่อในบีมูซาเนี่ยนำมาสู่ความเสียหายกับดินแดนตัวเอง คือในฐานะผู้ปกครองถ้าประเมินเนี่ยถือว่าถือว่าไม่ราชีดถือว่าไม่ฉลาดถือว่าไม่ผ่านนะครับเพราะก่อนที่จะสูญเสียเนี่ยอียิปต์เผชิญกับภัยพิบัติ10ประการพี่น้องเสียหายเยอะมากพืชผลที่มีตกกะกแตนมาอย่ากบมาเดี๋ยวตัวนู่นตัวนี้มาเต็มไปหมดเลยพี่น้องนะสร้างความเสียหายกับประเทศอียิปต์เย่แล้วหลังจากนั้ น, นยังไม่หยุดนํากองทัพมาฆ่าชาวบันทิซออีน เศรษฐกิจในยิปน่ะซุดอยู่แล้วสังคมสุดอยู่แล้วแล้วผู้นํากองทัพที่เป็นหลักอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไปจมน้ําอยู่ในทะเลแดงยิปนี่ถึงบอกว่าทําไมถึงไม่ราชีชนะครับดูประเด็นเหล่านี้อ่าคราวนี้นะครับเมื่อกี้เป็นฟิล์ลากับกับด บ, บีมูซานะครับประเด็นที่คนไม่เคยพูดกันคือประเด็นบรรดาผู้นํามะเล อ, อีทีเนี่ยบรรดาผู้นำที่อยู่รอบนบบีมูซาต้องไปศึกษาต่อ ว่าเป็นยังไงเราจะเห็นภาพใหญ่ๆมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะ mm hmm. ฟอเฟร์อาการ์บ ม, มูซาตะก่อนไม่ถูกกันไม่ใช่มันมีหลังนบีมูซามีใครมีชาวบันิซ อ, อีตเป็นแสนๆหลังฟอเฟร์อามีใครมีบรรดาผู้นําแล้วก็บรรดาทหารอีกมันไม่ใช่เรื่องคนสองคนไม่ถูกกันนะมันเป็นเรื่องระดับประเทศอันนี้เป็นภาพของเหตุการณ์ที่อยู่ในสมัยนั้นจริงๆก็อ่านก็พูดไว้นะครับแต่วละเราพูดเนี่ยเราจะมองแบบนิทานมองแค่ตัวเอก เตากับกะตาเนี่ยเต่กากับกระตายวิ่งแข่งกันสองคนแล้วก็ชนะกันเออจริงๆมันมีกองเชียร์มันมีนู้นมีนี่เยอะไปหมดถ้าพูดนะนะเพื่อเอาก็เช่นเดียวกันมันจะเพื่อเอากะรดบีมูซามันมีคนอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยนะครับมีนักมายากลด้วยมีนู้นมีนี่เต็มไปหมดนะในอายะที่98อัลลอฮ์ตรัสไว้ว่ายักดูมูกเกามาหูยามันกิยามะเขาจะนําหน้ากลุ่มชนของเขาในวันกียามะ หมายถึงมาทินเฟาอหลังจากทินเฟรอเนี่ยเป็นผู้นําสั่งให้คนทําแบบนู้นแบบนี้ฝ่ฟาฝืนมีมูซาแบบนู้นแบบนี้แล้วในดุยานเนี่ยเฟรอจะ น, นาคนเหล่านั้นมาจมน้ําตายในทะเลแดงนะครับในทะเลบางคนบอกไม่ใช่ทะเลแดงเป็นทะเลอีกที่ก็แล้วแต่จมน้าตายกันแล้วกันแล้วก็นในวันกิยามากไม่พอเิรอก็จะนํากลุ่มชนของเขามาเหมือนกันฝ่าอารดาภุมุนาร นำมาที่ไฟนรกตอนดุนยาเนี่ยนำไปที่น้ำนำไปจมน้ำแต่ในวันกิยามะนำไปที่ไฟเป็นไฟนรกวบิสันวิรุณมารุตนะครับก็อ่านบอกว่าสิ่งที่ฟิรเอาทามาเนี่ยนมาเนี่ยเป็นการนำที่ชั่วช้ายิ่ง ก็คือไปสู่จุดจบที่ไม่ดีเลยจะเป็นน้ําก็ดีจะเป็นไฟในวังเกีย ม, มากกัแล้วแต่สุดท้ายนําไปสู่ความวิบัติด้วยกับสํานวนนี้พี่น้องเวลาเราพูดถึงคนที่ไม่ดีในพี่น้องอันดับหนึ่งในพี่น้นองนึกถึงเฟรดเอ์อิบลริสไม่ใช่คนอันนี้ไม่นับนะพูดถึงอะไรที่ไม่ดีที่สุดอิบลรสอันดับหนึ่งแต่พูดถึงในฐานะที่เป็นคนเนี่ยเรดเอลอันดับหนึ่ง ก็อ่านบอกว่าเฟร์เอลเนี่ยจะนําคนที่ตามคนที่เชื่อคนปฏิบัติตามเิร์เอเนี่ยนำไปดิไฟนรกเวลาที่เราพูดจะว่าคนเนี่ยทำแบบนี้เหมือนกับเฟร์เอลเป็นพวกเิร์เอเพราะว่าโดยภาพของเฟร์เอลที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ในกัรอ่านเนี่ยเป็นผู้นําคนไม่ดีในเิร์เอลเป็นเป็นผู้นํานะครับดุจยากันนาไปนําไปจมน้ําตายคนอเกียมาก็นําไปสู่ไฟนรก ก็อนที่บอกว่าขอาบอิซันเวิรดนมารูดนะครับเป็นการนำทางซึ่งชั่วชายิ่งในอายะที่99อันนี้จะไม่ใช่บทวิสัยและจะเป็นการสรุปแนวคิดวอุชบิอูฟีฮาดีฮินละนะก็อ่านบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยทำไมเอ่ยละนะการสาบแช่งนั้นจะติดตามขอไป ทั้งในโลกนี้วายอมมันกิยามะแล้วก็นในวันกิยามะละนาสบแช่งแปลว่าอะไรครับเมื่อกี้บอกไปแล้วแปลว่าห่างไกลจากความเมตตาแปลว่าทั้งดุนยานี้ทิเรเอากับพวกพวกจะไม่ได้รับความเมตตาในขณะเดียวกันในวันกิยามะที่รเอากับพวกพวกก็จะไม่ได้รับความเมตตาเช่นเดียวกันในวันกิยามะพี่น้องครับความเมตตาขอรอนแต่เป็นทุกสิ่งแล้ว สำคัญที่สุดคือคือความเมตตาของลอวันกิมะถ้าคนจะเข้าสวรรค์ได้เพราะเพราะอัลลอ์เมตตาเข้าสวรรค์ละมาถือสิทธิอดอะไรนี่ทำกันแล้วแต่นะพี่น้องไม่ใช่สาเหตุโดยตรงนะเป็นสาเหตุดยอ้อมผมละมาผมถือสิทธิอดเพราะหวังว่า ด, ด้วยกับอามานดีๆเหล่านี้การงานดีๆเหล่านี้ในวันกิ亚马อลัลลอ์จะเมตตาผมที่ทาความดีนะหวังแบบนี้ พออรรรลเมตตา ah, แล้วผมได้เข้าสวรรค์ไม่ได้แปลว่าเอาละมานแล้วก็ไปแลกกับสวรรค์มันไม่ใช่การแลกแบบนั้นเป็นสาเหตุให้อรลรลเมตตาเช่นเดียวกันคนที่ตกนรกพี่น้องเพราะว่าอรลรลไม่เมตตาความชั่วดีทาก็เป็นสาเหตุให้อรรรลโกรธกิ้วอลไม่เมตตาและมีกรณีที่ว่าถ้าอรลรลประสงค์อรลรลจะอภัยโทษให้ คนที่มีความผิดความชั่วถ้าอัลลอเมตตาอัลลอฮฺประสงค์อัลลอจะอภัยโทษให้มันไม่ใช่เรื่องละหมาดแลกสวรรค์หรือวาีนาแลกนรกไม่ใช่นะที่ทำเหล่านั้นเนี่ยเป็นเป็นสาเหตุให้ได้รับความเมตตาเวลาทำความดีหวังแบบนั้นพี่น้องฉะนั้นเวลาพูดถึงรักมากความเมตตาของอัลลอในวันกิยามะพี่น้องมันเป็นตัวตัดสินทุกอย่างเลยอัลลอเมตตาไม่เมตตาเนี่ย อยู่ตรงนั้นแหละแต่ข่าวสวรรค์ไม่ข่าสวรรค์ในขนาดเดียวกันเวลาพูดถึงการสราบแช่งครับวัน ล, ละหน้าเนี่ยใหญ่มากพอพูดถึงล่หน้าบุ๊กแปลว่าคุณจะไม่ได้รับความเมตต า, าพออัลลอฮ์สาบแช่งคุณคุณจะไม่ได้รับความเมตตาซึ่งแปลว่าในวันเกียร์มาคุณจะไม่ได้อะไรเลยเข้าสวรรค์เพราะ อ, อลัลลอฮ์เมตตาไม่ใช่เพราะละมาดเพราะ อ, อลัลลอฮ์เมตานะครับสาเหตุโดยตรงละมาดเป็นสาเหตุอลัลลอฮ์เมตตาอีกทีหนึ่ง ค น, นีเฟราเอาเนี่ยกับพักพวกได้รับหลักนะการสาบแช่งซึ่งสาบแช่งเวลาเราแปลภาษาไทยเนี่ยเราจะมองว่าในเชิงนิยายน่าสาบคนจะเป็นกบสาบกบจะเป็นลิงแต่สาบแช่งในกุศลในฮะดิษจะแปลว่าห่างไกลจาก ค, จความเมตตาไม่ได้รับความเมตตาก็คือไม่ได้ทุกอย่างที่เหลือมีน้องนะครับอบิสันริฟดูนมะฟูดนะอลัลลอฮฺบ่าว่า ที่ฟีร์เอาทําแบบนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือที่เลวที่สุดสุดท้ายคนที่นํากับคนที่ตามไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ลงนรกพร้อมกันนะครับนี่คือเวลาพูดถึงคนไม่ดีเนี่ยก็จะพูดถึงฟิรเนะ์เอานะอ้าวช่วงท้ายกับเวลาผมทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยโดยประวัติเออไม่ได้ให้รายละเอียดมาก นะครับไม่มีประเด็นแง่คิดโดยเทาเป็นประวัติเนี่ยก็จะเล่าได้เยอะบางคนชอบฟังประวัติที่ต้องดูเนืน้อหาเนื้อหาแบ่งเป็นส่วน ๆ, ๆนะครับเนื้อหาส่วนที่หนึ่งเนี่ยเกและก้าบนะอายะที่94กับอายะที่95ิห้าพูดถึงนบีชูอัแต่พูดตอนจบแลละ หลังจากที่เราฟังก่อนนบีชุอยมาแล้วก็อ่านก็สรุปไปฟังว่าสุดท้ายชาวมัตยานถูกลงโทษยังไงครับอัลลาฮินาะลละมูถูกลงโทษด้วยกับอัศสสวยัยฮะเสียงกำพานาจะดังยังไงก็ไม่ทราบแหละแต่พอดังแล้วทำไมเอ่ยฟาสบาฮูฟีดิยาริหิมยาซีมีนคนเหล่านี้เสียชีวิตทั้งหมดเลย นอนตายเกื่อนกันเลยฟีดียาเรหิมในบ้านในที่พักในที่พำนักของพวกเขาเองนี่คือจุดจบของของชาวมัตยันและนบีชูอัยกับคนที่ศรัทธาละ่ะนัดเจยนาชูอัยไบโอวัลลดีนอามานูมอาอหอัลลอฮ์ช่วยให้รอดพน้นเหมือนกับที่นัดเจยนาหูดนันนัจเจยนาโอลิฮันเหมือนกับที่ช่วยน บ, บีพุฒน บ, บีซอลและให้รอดพน้นนะครับอันนั้นคือ จุดจบของชาวมัตยันและก็ผู้ศรัทธาและก็นบีชุอัยจบต่างกันจบเหมือนกันอันนั้นตายหมดอันนี้นัทนะเญนาอัลลอฮ์บอกว่าเราช่วยให้รอดพ้นในอายะที่เก้สิบห้าเนี่ยนะครับอลัลลอฮ์สะหุปจุดจบของชาวมัตยันว่าทําไมเอ่ยเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับชาวสมูทเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับชาวสมูทในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับ เออเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับรูดกลุ่มชนรูดอันนี้เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับการกลุ่มชนสมูทเวลาก็พูดถึงเอออะไรละ่ะอารสมูทแล้วก็กลุ่มชนมีรูดเนี่ยแล้วก็ชาวมัตยานซีกลุ่มชนที่ถูกทําลายแบบเอาล็อทําลายล้างบางเนี่ยพี่น้องเวลาพูดเนี่ย มันมีสองกลุ่มชนซึ่งมีความผิดอื่นครอบไปด้วยหนึ่งคือกลุ่มชนอบีลูดมีการรีวาดด้วยลีวาดคือผู้ชายกับผู้ชายฝ่ออาฝือนอัลลอฮ์นีมีอยู่แล้วแต่เราก็ทราบความผิดอื่นด้วยคือการรีวาดผู้ชายกับผู้ชายไม่ปาเดีวยวกันเสพกันเองนะครับกลุ่มชนาชาวมัตยนันกลุ่มชนอบีชุกอายความผิดที่แถมมาคือการโกงตาช่างการวัดการตวงในการค้าชาวมัตยันโกง ฝ่าฝืออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็โกงตรงนี้ด้วยนะอาร์กับสมูตเนีพี่น้องสาเหตุที่อาญนนี้ยกสมูตเนี่ยก็ถือว่าสมูตเนี่ยความผิดในการเป็นศัตรูต่ตอลอนเนี่ยชัดเจนที่สุดทำไมละ่ะเพราะชาวสมูตรวมหัวกันฆ่าอูดของนบีนซอลแลงถือว่าเป็นศัตรูต่อบรรดา น, นาบีนเนี่ยชัดที่สุดคือพวกสมูต นึกออกไหมพี่น้องเอ่ออะไรล่ะอย่างนบีนุ่นเนี่ยก็ไม่เชื่อไม่ฟังโอเคนั่นก็ไม่เชื่อไม่ฟังพวกอารเชื่อไหมก็ไม่เชื่อไม่ฟังกลุ่มชนนบีรุตเชื่อไหมก็ไม่เชื่อไม่ฟังนะครับนําพวกมาบุกบ้านนบีด้วยนะนบีชูอกลุ่มชนมัตยันก็ไม่เชื่อไม่ฟังเหมือนกันแต่ผู้สมุติเนี่ยหนักกว่าเพื่อนเพราะว่าไม่เชื่อไม่ฟังไม่พอพี่นอ้องรวมหัวกันฆ่าอูดซึ่งเป็นมโหสถของนบีซอลแลวด้วย คือประกาศความเป็นศัตรูชัดเจนมากถ้าเทียบกันในบรรดาสี่กลุ่มชนทวนิดหนึ่งในพสมุติเนี่ยนบีซาแรถูกส่งมาใช่ไหมพี่น้องอันนี้ทวในให้ฟังนะครับแล้วก็คนเหล่านี้ไม่เชื่ออยากได้โมิาีาสขอหลักฐานมาหน่อยว่ามีไหมที่เป็นนบีจริงๆขอความมาสจันนบีซาเละ ก, ก็ขอดุอาภูเขาแยกเมอูดตัวเมียท้องแก่เดินออกมา นะแล้วอูดเนี่ยออกมาไม่ได้ออกมาเดินเข้าไปนะออกมาแล้วก็อยู่กับโพวสมูทน บ, บีซาแล้วว่าอูดตัวนี้จะไปไหนปล่อยมันไปจะกินอะไรปล่อยมันไปโพวสมูทเนี่ยได้รับประโยชน์จากอูดตัวนี้ซึ่งเป็โมกยิษฐ์มกยิษฐ์ที่มีชื่อเป็นๆ เ, เนี่ยพี่น้องแล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยนะครับให้นมเยอะต่อคิวเลยบ้านนี้ให้นมอูดตัวอวดอูดพิเศษเอลัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยให้นมให้นมทุกบ้านได้ประโยชน์หมดแต่คนเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ย ต้องการที่จะปฏิเสธนบีซอลและรวมหัวกันฆ่าปูนนบีซอลและนี่คือพวกสมุนฉะนั้นเวลาพูดถึงการเป็นศัตรูต่อบรรด า, าบีชัดที่สุดเนี่ยคือคือพวกสมุนก็อ่านกันเลยยกว่ากามาบะอิดัสสมูนนะเหมือนกับที่เกิดกับกับชาวสมุนเพราะถือว่าชาวสมุนเป็นศัตรูต่อบรรดานาบีชัดที่สุดถ้าเทียบกับุชนที่ผ่านมานะครับอ่านนั้นคือเกิบสี่กับเก ในอายะที่9 6อายะที่9 7พี่น้องเป็นประวัติของท่านนาบดุาูซาอะลัยสลามสั้นๆไม่ได้ลงรายละเอียด น, นะครับพูดถึงนบับดุาูซาว่าสิ่งที่นบับดุาูซาได้ได้ทั้งอายะเป็นพระอุนะสัญญาณต่างๆองค์การต่างๆได้เยอะไปหมดแล้วก็สุนอนหลักฐานที่ชัดแจงอลัลลอฮ์บอกว่าวาลกัสอา์สันามูซาเราได้ส่งสิ่งเหล่านี้ให้กับนบดุาบูซาอะลัยสลาม ซึ่งท่าพี่น้องไปดูประวัติท่านนบีมูซาได้อะไรเยอะมากนอกจากคัมภีร์เนี่ยนอกจากมุฮีซาดเนี่ยมีอะไรระหว่างทางเต็มไปหมดท่านพี่น้องจากตอนที่เป็นเด็กกันตั้งแต่เด็กเลยพี่น้องเด็กก็ดีโตมาก็ดีมุฮีซาดก็ดีดแล้วก็พี่เอาตายไปแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ยังให้อายัดกับนบีมูซาเต็มไปหมดจะเป็นมัวก็ดีที่ ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่าใครเป็นผู้ค่าเป็นตานะาทั้งสิบสองก็ดีเป็นนกคุ้มน้ำตาลฟ้าก็ดีเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะมีบุษราได้ยืกมานะครับในยอที่เ้าสิ7เจพูดถึงฟิราอาัลนะผู้สั้นๆแต่ข้อสังเกตที่ผมนำเสนอพี่น้องคือว่าเวลาพูดถึงฟิราอัลเนี่ยเชืช่อคําว่ามาละพูดถึงบรรดาผู้นาซึ่งมีบทบาทสาคัญกับฟิราอัมาก สองคนที่ยกไปที่ก็อ่านกล่าวถึงคือกอรูณกับกับฮามานคนหนึ่งเป็นชาวบันทีสโล อ, อินแต่รับราชการกับเฟร์เอาแล้วก็มากดกี่ชาวบันทีสโล อ, อินด้วยกันเองกอรูณสุดท้ายก็ดุกโทนีสุนะครับมีทรัพย์สินเยอะเวลาพูดถึงคนที่มีเงินเยอะเนี่ยพูดถึงกอรูณอย่าจำปิดนะบางคนเนี่ยกอรูณกับฮาแมานเนี่ยพูดพร้อมกันแต่แยกบอกว่าสองคนที่มาต่างกันยังไง การุนแ่พูดถึงความรวยความวามีตังค์เนี่ยการุนคางใหญ่ๆกุ ญ, ญแจหนักๆต้องยกสามสี่คนกว่าจะไขได้สุดท้ายจมดินทั้งหมดนี่คือการูนเป็นชาวบันทีสรออิเอินอแต่ว่ามาคุมชาวบันทีสรออินที่เราแต่งตั้งนี่คือการูนนะครับฮามานเป็นใครฮามานเด่นตรงไหนเด่นตรงที่ว่าเป็นผู้กล้าชิดฟิรอาอูที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่คุมการก่อสร้างหอวคอที่เยอ ไปดูล้ออนาตายังไงเนี่ยหามานเป็นคนสร้างแล้วก็ใช้เทคนิคซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่เป็นที่แพร่หลายเจ้บอกว่ายังไม่มีก็ได้เอาดินมาเอาไฟมาเผอเป็นอิฐแล้วก็ก่อสร้างขึ้นไปเออมันมันเป็นเทคนิคที่สมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีนะครับเราในอดีตอาจจะเคยพบว่ามนุษย์ใช้อะไรละ่ะไอ แผ่นหินนะก็ไปเผาแล้วก็ใช้บันทึกแต่ว่ามาใช้ในการก่อสร้างรับน้าหนักกระต่อขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยฮามานเป็นก็เรียกไม่ทราบว่าเป็นคนคีคนใช่มแต่ว่าเป็นคนแรกๆที่ใช้เทคนิคนี้ในการก่อสร้างนี่คือฮามานนะครับสร้างหอคอยไปดูอัลลอฮฺ ก็เป็นวิทยาศาสตร์าบปรติศาสตร์เหมือนกันปัจจุบันก็ไปพบแล้วว่าเทคนิคตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากชาวโรมันแต่มีอยู่แล้วในสมัยยิปต์โบราณซึ่งก็อ่านถูกกล่าวไว้แล้วนะครับนี่คําว่าเมเลีนยนะจะอะไรกันแล้วแต่วลาก็อ่านพูดถึงเฟร์เอวกับทีมงานแล้วเนี่ยเฟร์เอวอลอสบอกว่าคนเหล่านี้ปฏิบัติตามคําสั่งของเฟร์เอวซึ่งคําสั่งคําบัญชาของเฟร์เอวสุดท้ายแล้วเนี่ย ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จอาจจะยิ่งใหญ่อาจจะใหญ่โตมีอํานาจเยอะแต่ตอนจบที่เร า, เานําอียิปต่กรไม่ใช่ประเทศดินแดนอียิปเนี่ยมาสู่ความเสียหายเศรษฐกิจสังคมกําลังทหารทั้งผู้นําพี่น้องนึดูดิทีมบริหารทั้งหมดเลยจมน้ําตาเนี่ยประเทศเป็นยังไงก่อนจะจมน้าตาเนี่ยภายพิบัติศิล ป, ปาการอียิปนี่แย่แล้วนะไม่รู้จะไปรอดไม่รอดแล้ว ทีมบริหารทั้งหมดผู้นําทั้งหมดพร้อมกับทาหารหลักๆที่เกณฑ์มาอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ไปจมอยู่ในทะเลแดงตายในพี่น้องสร้างความเสียหายขนาดไหนในฐานะที่เป็นผู้นําถ้ามองในแง่นี้ฟิราอ์ไม่ใช่รอชีดไม่ใช่ผู้นาดีๆประวัตินบีมูซากับฟิราอ์พูดผู้แก่สองอายะนะครับส่วนอายะที่เก้าสิบแปดกับอายะที่เกสบเกอันนี้เป็นแง่คิดนะก็อ่านต่อการบอกว่า ในเมื่อในดุนยาเนี่ยทำไมเอยซีราอานำผู้คนผู้ที่เชื่อฟังกองกำลังเนี่ยนำไปสู่ความพิบัตินำไปจมน้ำตายนำไปน้ำในวันเกียรมะตซีราอาก็นำเหมือนกันนำไปสู่ไฟไปสู่ไฟนะครับอันนี้เปรียบเทียบไปฟังนะครับวันดุนยาทำยังไงเกียรมัตก็ก็ทำแบบนั้น อันนี้คืออายาที่อายาที่98นะครับแล้วก็อายาที่99อลัลลอฮฺบอกว่าสิ่งที่ฟิล์อาว์และทีมงานผู้ติดตามจะได้รับในวันกิยามะคือละนะคือการสาบแช่งคํานี้พี่น้องต้องคุยกันเยอะๆนะครับละหน้าสาบแช่งแปลว่าห่างไกลาจากความเมตตาของอลอความเมตตาของล อ, อ, งลอเป็นทุกอย่างที่พี่น้องจะได้ในวันกิยามะ บุญบาปที่ตั้งไว้เป็นแค่สาเหตุสุดท้ายได้เข้าสวรรค์จะตกนรกอยู่ที่อัลลอฮฺเมตตาไหมแค่นั้นพี่น้องแค่นั้นจริงๆนะครับที่ทําุกวันนี้เนี่ยหวังว่าโดยกับความดีที่ทำที่บริจาคที่ละมาซูนัดที่ถือสิอ่งโกรหวังว่าวันกียะมะการงานเหล่านี้อัลลอฮฺจะเมตตาที่ผมทําผมก็เนี่ยดแบบนี้แหละไม่ได้หวังว่าละมาดแล้ว ละหมาดสิว่ากระตูได้สวรรค์นหนึ่งชั้นละหมาดห้าสิบปีได้สวรรค์ชั้นที่สองหวังแบบนั้นไม่ได้หวังว่าธิธรรมท่ทาทหมดชีวิตในวันกิยามะอลัลลอฮฺจะเมตตาผมถ้าอัลลอฮฺเมตตาความผิดที่ผมมีเนี่ยบันทีตอบบัตรไม่ทันตายไปก่อนเนี่ยอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้หวังความเมตตาความหมายความหมายถือว่าเป็นทุกอย่างนะครับละหน้าในความหมายหนักมากแล้วก็ความเมตตาขอเอาลาะเป็นทุกอย่างที่พี่น้องจะได้ในวันกิยามะนะ อ๋อวันนี้ฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้นะครับวบิลลาฮิโตฟิวัฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมุลลอฮิวะบราะกาตุ